เมชวนคุยธรรมะในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไหลโศกอ่าได้พูดถึงเรื่องของอ่าว่าเกิดมนุษย์นี่เป็นของยากมากที่ว่ายากขนาดนี้ยังได้ที่ได้ติดฟังก็คงทราบอยู่ นี่ทราบถึงกันอย่างนี้ว่าเอ่อพระพุทธเจ้าเคยปลิกเหมือนกับ 100 ไว้นะไม่ ที่ตอนนี้จะเอาหัวโผล่ขึ้นมาในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวบนพื้นที่ ในนรกเหมือน 3 เท่านั่น 3 โลกเอ่อ 3 ใบน้ําท่วมเต็มเหมือนกันหมดด้วย 3 ตัว 3 โลกเนี่ย โอ้โหมันยิ่งยากยากๆแสนยากจริงแต่ว่าในขณะนี้เราได้แล้วนะเราขณะนี้เรา ชุมทางที่เอ่อเค้าจะเลี้ยวไปทางภาคหรือจะตรงขึ้นไปก็ไปทาง นะคือป้ายต้องติดให้เห็นชัดเจนนะจะต้องมีทางเบี่ยงทางเลี่ยงทาง ถนนนี้มันไม่มีไฟแดงเลยนะมันเลี้ยววนไปๆชัดเจนถนนต้องเลนใหญ่ นะคุณไปนรกอํานัดดินดราศันประวิสัยและที่ผิดเลี้ยวบ้างนะไปสวรรค์เอ่อเป็นพรหมโลกบ้างหรือ เราอ่านป้ายให้ชัดเจนเราดูป้ายให้ชัดเจนเนี่ยเราเราจะไปได้เราจะทํา ความไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยเราจะไปทํานะคือนะเค้าเค้าถูกขังอยู่นะ ก็ไม่เก็บไว้ในในเรือนจําในเรือนจําไม่มีหลุมฝังศพท่านฝังไม่มีที่เค้าจะมาฝังศพคนตายไม่มีเค้าก็ เดี๋ยวเพื่อให้รีบออกมาได้เร็วๆยังมีความคิดที่จะ คุณจะเห็นอะไรเอาก็เป็นภาษาทางตาคุณจะๆเท่านั้นเองไอ้ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่ามหาสมุทรเนี่ยเราไม่เห็นจริงเลยนั่นคือสังสารวัฏนั่นเองแล้วสังสารวัฏเราถึงยังยินดียิน ยินดีที่จะอยู่ในคุกพบเนี่ยนะคือที่ขังนะพบเนี่ยคือที่อยู่นะพอสําเภาพอพานเนี่ยพบเนี่ยนะเราถูกติดข้องอยู่ในภพเราถูกติดข้องอยู่อยู่นะกับ หลักนี้เขาเอาเชือกผูกหมาไว้ผูกกับผูกที่คอสุนัขเนี่ยผูกไว้แน่น นะแล้วก็ตะแกรงนี่แกะยากแน่นอนนะที่ไม่ให้รัดแน่น ป่นตามอยู่อยู่ตรงไหนแล้วมันจะดึงไปมันก็หลวมๆแต่ปมนี่แก้ไม่ได้แน่นอนเหมือนกันเราถูกผูกไว้อย่างนี้ถูกผูกไว้ด้วย เพราะงั้นคุณจะไปทางไหนมาอยู่ในทางเลือกเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนถูกผูกอยู่ผูกให้มันแน่นเกินไปแต่ถ้าผูกถูกผูกให้ ต่อให้โลกหน้าเนี่ยมันมันไม่มีเดี๋ยวสมมุติไม่มี อ่าไม่พูดปดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดปดได้ต่อให้มีมันได้เพราะเราไม่ได้ทําอย่างนั้น เดี๋ยวจะเข้าป่าโรคชาตินี่มันเอ่อต้องรีบเดินป่ามาอยู่ด้านซ้ายมือแล้วเดินแร่งนั้นอย่าไปทางซ้ายนะให้ๆอุปมาอุปไมยตรงนี้ เห็นใจที่เป็นสงบได้นะเพราะฉะนั้นเรารีบๆผ่าน เราจะเสญอได้มั้ยเราจะปฏิเสธความที่ไม่ดีความที่จะลุ่มหลงไปตามนั้นได้มั้ยคือเหวเนวราๆไปก่อนเนี่ยลงคือมันจะดึงเรา 2 แป้งนะ เช่นพอว่ามันไม่ดีมีชู้มีอะไรเมียก็คิดว่าเอ้ยมันมีชู้ฉันก็มีกิ๊กได้คิดไม่ถูกเลยฉัน มันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างน้อยเราทํา <IS ations> <IS> นะเราพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะ เราไม่ถูกติเตียนจากวินยูชนเราก็ยังสบายใจใช่ แต่เพราะว่าความชื่นในพบหน้าชัณญาณมันจะมากมายเหลือเกินในเวลาที่เราเลือกที่จะทําความดีท่านฟังเราๆเรา ในวันนี้